วดนี้กเป็นการสมาชิกใหม่หลายท่านเข้ามานับดิบัตรแต่สมมค่ายมาร่วมค่ายใหม่ก็เลยว่ามีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันบางคนยังไม่เคยเข้าค่ายนะฮะอาจจะทำใจไม่ถูกก่อนหน้านี้เรามีการ ทำความเข้าใจเรื่องของพอแล้วพอเบาลงเรื่องของการระวังนะฮะสำรวมระวังเพราะว่าไม่เหมือนในงานอบรมทั่วไปอบวมทั่วไปนี้เราปรับดีซีปรับอะไรกันก็เสแหลมนิดนึ่งเสื่เบา เพราะนั้นเวลาเรามาเข้าค่ายเราจะต้องระมระวังเรื่องสถานที่เราจะวิ่งไปวิ่งมาพล่านเหมือนกันในงานในงานอบรงไม่ไดนะ้เราพยายามจำกัดพื้นที่ของเรานะเพื่อที่จะให้รักษาพื้นที่ของตัวเอง เพราะที่มาเข้าค่ายนี่หมืองได้ปฏิบัติมาแ ล, แล้วเข้าใจความหมายนะแล้วก็ของที่มาเข้าค่ายเนี่ยต้องของเฉพาะจำเป็นถ้าเะเยอะเกินไปแย่เป็นภาระนะที <c oughs> ่จึงอยากจะให้ทำตัวให้เบาสบาย <c oughs> เพราะว่าใน การปฏิบัตินี้เราเข้าใจแล้วว่าลูกมันก็ต้องมีทุกตามเรื่องของมันแต่เราจะไปให้รูปเนี่ยวิ่งกับความทุกข์ของจิต ด, ด้วยจิตที่มันวิ่งว่อนไปเรื่องนน้เรื่องนี้ถ้าหากว่าเราไปกับอาการของจิตมันก็ดูว่าเราไม่รู้จกักรูปนำพยายามที่การเคลื่อนไหวแต่ละ จุดแต่ละแห่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแล้ววิจารณาอีกแล้วว่าเราจะเคลื่อนไหวไปไหนเพื่ออะไรแต่ละคนจะอยู่ในสายตาของกันและกันถ้าหาก่าเราเคลื่อนไหวโดยที่ไม่แคร์สายตาคนอื่นเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติที่จะเข้าใจสภาวะได้เพราะ น, นั้นในการเข้าค่ายเป็นการเรียบเรียง นะเรียบเรียงอาการของเราถ้าคนทั่วไปไม่มีปัญหานะคนทั่วไปเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องของสภาวะของกายของใจแต่เราที่มาเข้าค่ายในส่วนใหญ่เรา เ, าเรียกว่าได้ผ่านการปฏิบัติมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> ต้อง เ, อเรียบเรียงกายเป็นเรียบเรียงวาจาเป็น พอมีสติเข้าไปจัดการแต่ถ้าเราไม่มีสติไปฝึกฝนมาก่อนแนะ่นอนก็คนทั่วไปก็ก็เป็นอย่างนั้นก็แยกไม่ออกว่ากายใจเป็นไปตามอารมณ์ที่มันอยากแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการที่จะกำจัดความอยากเราต้องอ่านอ่านความอยากให้เป็นว่า แต่ละขณะขณะใจเนะี่ยมันอยากจะทำอะไรมันอยากจะไปไหนมันอยากจะพูดอะไรเนะี่ยเราก็จะไม่สนองมันทุกเรื่องนะอยากลุกก็ลุกอยากเดินก็เดินอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปอย่างนี้นะเราก็ตอบสนองมันหมดนี้ไม่ได้จะทำให้ความอยากเรามีกำลังนะจิทของเราดำลิอะไรขึ้นมาเนะี่ยเราจะต้องตรวจสอบ สอบสวนเชื่อก่อนว่ามันจำเป็นไหมเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรพี่แจ๊คว่าสัมปทัญญะซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเรื่องสัมปทาญญ ะ, ะเสียงมันเงีหลุ่มๆ ป, ป่าปนี้เสียงมันม่จะไม่เป็นก็ถ้าหากว่าเราจัดการเป็นเนี่ย สติสัญยะมันก็จะถูกกระชับมีน้ำหนักของมันเองถ้าสติสัมยะเบาบางเกินไปไม่สามารถควบคุมความอยากได้อยู่มันก็ทำกายทำอากัปปิยาทางกายทางวัยชาของเราเนี่ดิ้นรนกวดแกวนะไปตามเลือกของมันเพราะนั้นเรามานี่มาศึกษามาศึกษากายมาศึกษาใจ เพราะนเราก็ศึกษาทุกๆเวลาที่เดียวแต่กรศึกษาตอนที่เรามาปฏิบัติเสียงแหลมลงเสียงมันทุ่มไปนะนะนะถ้าหากว่าเราศึกษาแล้วมันจัดการไม่ได้ก็แล้วจับจุดยังไม่ถูกนในแต่ละขณะแต่ละขณะเรามาดูอาการของจิต โดยใช้สติสัมยาเป็นตัวเป็นตัวกำกับไม่ใช้ตัวอยากเป็นตัวกำกับการแสดงนี่ยนั่นคว่าสติสัมยาเราก็ได้ศึกษากันมานานพอสมควรโดยเฉพาะสติสัมยาที่เป็นแบบวิปัสนา <c oughs> แบบเคลื่อนไววของหลพเทียนมันจะต่างจากน้อจากต่างจากพุโทโธเโดยสติสัมยะที่ที่มี มีกำลังที่สัมผัสได้ไม่ใช่สถิยาแบบเก็บกดหรือบิบคั้นถ้าหากว่าเราบิบคั้นจิตใจของเราทัศนะกดดันแล้วเนี่ยมันจะมีพลังที่คอยดุลคอยดันของเราประเภทที่ควบคุมไม่ได้มันจะพล่านไปถ้าเราเผลอแต่ถ้าสถิญาที่มันถูกต้องคือเป็นสีสัญญาที่สามารถ จัดการกับจิตได้แต่ไม่ใช่บางคับจิตกามตรวจสอบจิตของเราว่าแต่ละขนะเป็นอย่างไรเวทนาทางกายนี่เราแก้ไขาบาบัดได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นการจะปรับอย่เปลี่ยนในแต่ละครั้งเนี่ยวทนาทางกายตรวจสอบแต่ละเวลาว่ามันทนได้ไหมนะ ซึ่งเรื่องนี้เรามาค่ายเพื่อมาศึกษาตัวเองอย่างละเอียดทีช่วนเพราะถ้าเราอยู่ที่บ้านก็ดีหรืออยู่ที่สนามปฏิบัติอย่างที่รี่จะต่างจากอาสมที่สนามปฏิบัติที่เป็นสถานปฏิบัติอย่างที่เราผ่านมาซึ่งมันจะมีลูปบังคับไปในตัวอยู่กับที่ไปในตัว แต่ที่นี่เราไม่มีรูปบังคับหมายถึงว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าให้จําปัดอยู่สถานที่ตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยถ้าหากพอเราเปลี่ยนไปตรงนิดติดตรงนิดน่อยเราก็เอาตัวเองไม่อยู่ก็ดูเหมือนว่าเราสนองตอบสนองความอยากของเราเพราะนั้นเองเมื่อเรากำหนดที่ใดที่หนึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ย การที่จะโยกย้ายเคลื่อนไหวไปทางไหนต้องได้รับการตรวจสอบหมายของว่าจิตก็ดีกายก็ดีได้รับการตรวจสอบแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเก็บกฎแต่เป็นการศึกษาศึกษาเราต้องการความสงบความเย็นความผ่อนคลายความสบาย เวลามันมีอาการที่ไม่สงบไม่ผ่อนคลายไม่สบายเราก็ย้อนกลับไปดูอาการนั้ น, น, นว่าเอ๊ะทำไมใจเราอยากจะทำอย่านู้นอยากจะเอาอย่างนี้แสดงว่ามันไม่สบายแล้วกลับไปดูกลับไปไปศึกษาในสำนวนบาลีที่ใช้ว่าปรึกษากับการัชกายหรือปรึกษากับนามกาย เพราะนาม ก, กายคือปรึกษากับตัวสติตัวปัญญาที่ฉันข น, นาม ก, กายเป็นกายชนิดหนึ่งแต่เป็นนามนะแต่ก็ไม่ใช่นามลูกแต่เป็นนาม ก, กายเราเพิ่งเพิ่งได้ยินนะนามลูกรูปนามนามลูปแต่นาม ก, กายเรามันก็ได้ยินแต่ไม่ใช่ธรรมกายต่างกักับธรรมกายเพราะฉะนั้น เราจะต้องละเอียดเล็กๆพอสมควรนะในการฝึกฝนปฏิบัติคนที่เคยฝึกแบบอื่นมากก่อนน่าจะฝึกสมถ ะ, ะเก็บกดด้วยความเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึง่งบังคับให้จิตไม่คิดแต่วิธีการเคลื่อนไหวบนหเทียนไม่ใช่บกันบังคับจิตไม่ให้คิดเนี่ยแต่เป็นการศึกษาจิต เรียนรู้จิตว่าจิตมันเป็นอย่างไรแต่ละขณะแต่ละขณะโดยใช้สติสัมยาที่เราเพียนยกเพียนย่างเป็นตั้งเป็นเดินอยู่นี่เป็นตัวกำกับถ้าเรายังพลานไปกับอาการของจิตอยู่แสดนว่ า, าการยกมือกันขึ้นไหวเดินจูงงอของเราไม่มีผลอะไรไม่มีผลที่จะเข้าไปจัด ก, การกับจิตได้นะ เพราะฉะนั้นพยายามนะพยายามที่เก็บตัวเองในช่วงนี้มีสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราพยายามหามุมที่จะให้หลบห ล, หลายๆที่แต่ในช่วงไหนที่มันร้อนเนี่ยเราอาจจะที่มามาหลบอยู่ที่เดียวกันตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปข้างนอกเราอาจจะอาการทุกข์โหยธนาร้อนนี่เราอาจจะเผลอลืมควบคุมไม่อยู่ นะมีเวทนาแรงเกินไปแต่พอเรามาอยู่ที่ใดที่หนึ่งรวมกันมันก็เที่อาการของอากาศไม่จัดเกินไปแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดัง <c oughs> นั้นเมื่อเราเข้าใจลักษณะอยู่นี่แล้วนี่มันก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นในการดูแลตัวเอง ว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่ อ, อการความสงบต้องการความสุขต้องการผ่อนคลายและต้องการเข้าใจทีนี้เมื่อจิตของเรามันมีอาการที่ไม่สงบไม่ผ่อนคลายและไม่เข้าใจเราก็จะต้องหาวิธีและทำความเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ก็ต้องถามครูบาอาจารย์แทนที่เราจะ วิ่งไปตามอาการของจิตที่ทําไมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าศึกษาเป็นอา น, นิโยมคนหนึ่งมาถามเอ๊ะเดินไปก็เดินเพลินสบายแต่พอนานๆไปทําไมมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักอาการมันหนักตึงอ๋อแสดงว่าเราไปกดมันไว้เราเพลินก็จริงแต่เราไปกดมันไว้ยิ่งกดมันก็ยิ่งห น, นักพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกมันมันอึดอัด นั่แสดงว่าเราทําแบบสมถะคือทําแบบกดอาการเราไม่ได้ทําแบบศึกษาศึกษาอาการอามาก็บอกว่าให้เดินเนี่ยไม่ใช่เดินอยู่หมดเดียวเดินอยู่ลักษณะเดียวเดินก้าวหน้าก็เดินไถยหลังดูบ้างเดินเอืส้นลงก่อนก็เอาหน้าเท้าลงก่อนดูบ้าง ลื่นเอาหน้าเท้าลงก่อนก็ามาลง ต, งตรงกลางมัง่งตรงตรงกลางก็เอาเอยียงข้างเหมือนว่งเดินเข้าหน้าท้าหลังมันชินก็เดินออกข้างมันมีหมดกันเดินการวางเท้าตั้งหลายอย่างแต่เรคเร่างเตือนของเราเรานึกไม่ถึงเนี่ยแต่พอมาพาทำแล้วเหมือนก็ของง่ายๆทำไมนึกไม่ถึงเพราะเราไม่เป็นผู้ศึกษาเราเป็นผู้จะตั้งใจทำํำทำท ำ, ทำอย่างนี้ การศึกษานี่เราศึกษาวิธีการยืนการเดินการนั่งมันมีกี่อย่างที่สามารถจะทําได้ก็ฝึกทํามันไปนะแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเคยนึกถึงเคยทยําแบบก็ทําแบบนั้นมันเป็นความเคยชินแต่พอเรานึกที่จะศึกษาเอานั่งแบบนี้เอารองนั่งแบบนี้ดูบ้างเอานั่งแบบนี้ดูบ้างได้ไหมอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ไปในตัว เพราะจิตของเราถ้ามันชินอยู่อาการไหนหึงมันชินแล้วมันก็ ม, นก ม, นกมันก็เหมือนผืนแผ่นเสียงตุกล่องนะ่ะมันก็เกิดความเบื่อและสิ้นะไม่เกิดอาการสนุกในการศึกษาเพรเาฉะนั้นันนี้เป็นเรียกว่าค่ายปรมตัตาภาวนาอาการศึกษานั่นเป็นปรมัตุขนะเราทําด้วยการศึกษาเราไม่ได้ทําด้วยการต้องการอยากที่จะเอา ศึกษาลงลึกในรายละเอียดใน ท, ที่เราปดเรื่องภารกิจที่จะทาแบบทั้งบ้านออกหมดอ่ะนะเรามีหน้าที่ศึกษาอย่างเดียวศึกษาแล้วมันไม่ทะลุปู่ป่ลงไม่เข้าใจก็ต้องถามครูอาจารย์พราะเราเปิดโอกาสให้ถามอยู่แล้วนะไม่ว่าโดยใช้เขียนมาก็ตามโดยถามปากเปล่าก็ตามหรือมาปรึกษาก็ตามเปิดโอกาสให้ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่ไม่ใช้สิทธิ์อันนี้ก็เราก็เสียโอกาสเราต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะสมัยจะมาเป็นนักศึกษาเนี่ยามาเป็นนักศึกษาที่ที่ถามบ่อยที่สุด mm hmm. เพื่อนเพื่อได้ความรู้ด้วยเหมือนกัล mm hmm. แล้วอีกอันหนึ่งอยากจะพูดถึงวิธีการสร้างจังหวะเคยสังเกตบ้างไหมว่าเราทำไปเนี่ยตัวไหนที่ก่อให้เกิดสติพอจะมามา ด, ด, ด, ดูจริงเอ้กันยก มันมีการหยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเพราะว่าที่เราหยุดช่วงต่อก็ระหว่างขึ้นกับหยุดแต่เป็นช่วงที่ทําให้เกิดตัวรู้ขณะนั้นตัวรู้ของเราจะไม่หนักแน่นไม่กระชับในตัวรู้ตัวนั้นมันจะไม่มีสมาธิแต่การที่เราหยุดเป็นจังหวะแล้วเคลื่อนเป็นจังหวะมั น, ม, นมันเหมือนเลียงเลียงอิดที่เขาก่อก็ดีไม่ใช่ว่าจะอิดแต่ไปผ้าท้องเราที่มันเรียงเส้นไปเส้นไง มันต้องใช้เคยเห็นเขาตอกหูดึงกระชับมากเลยผ้าที่ทอมถึงได้แน่นเสือ้ออันนี้เครืันพรมเนี่ยถึงแม้จะมาจากโรงงานก็จริงเครื่องมันได้กระชับกระชับมากเลยถึงได้แน่นการยกก็เหมือนกันเราตั้งใจยกจริงเรเห็นช่วงเชื่องต่อระหว่างเกิดกับดับการหยุดเป็นดับ การเคลื่อนเป็นเกิดการหยุดก็เป็นดับช่วงต่อว่าดูการเกิดดับคือดูตัวรู้เกิดจากการเกิดดับอย่างเราเห็นแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยเป็นผลของการเกิดดับที่มีความถี่สูงที่เรียกว่าขั้วลบขั้วบวกขั้วลบคือขั้วดับขัว้วบวกคือขั้วเกิดนะเกิดดับ ในอัตราที่สามพันครั้งต่อวินาทีแล้วแต่แรงเห็นต่ําลงมาก็หนึ่งพันครั้งต่อวิยิ่งมีความถี่สูงมากเท่าไหร่นะแสงสว่างก็จะสูงมากเท่านั้นแสงสว่างก็เสถียรเละนิ่งมีความถี่แต่ถ้าเมื่อไรความถี่มันต่ําลงมาแสงสว่างก็จะอ่อนลงมาจนกระทั่งต่ําลงมาแสงสว่างก็กระพริบไฟก็กระพริบนนแสงแสงสว่างต่ําลงมาตัวรู้นี่เหมือนกันถ้ามีความถี่ ความผีของตัวรู้นี้ไม่ได้เกิดจากความเร็วสูงเหมือนหลอดแต่ความชัดเห็นจุดต่อจุดตัดระหว่างการเคลื่นอนกับการหยุดนะจุดตัดระหว่างการเกิดกับการดับนะซึ่งจุดนี้มันพูดภาษาในแง่ลักษณะภาษาของไฟฟ้าหรือวิทยาศาสตร์เพราะใ น, นการทำเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาจริงจรงมันเป็นเรื่องยกไรความหมาย อะไรบางอย่างไม่ไม่มีความสําคัญแต่พอเรามาเห็นพิจรารณาถึงความหมายว่าทําไมท่านจะต้องให้ทําแบบนี้เพื่ออะไรนะแล้ววิธีการขึ้นไหวแบบนี้หลายคนพยายามที่จะปรับพลิกแพลงอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันก็ไปไม่รอดได้ผลออกมาไม่ไม่ตรงแต่พอมาทําตามสูตรที่หพ่อเห็นแนะนํามันจะลงตัวขงวันพุทีปับป๊บปั๊บปับางคนก็รู้สึก ว่าเอ้ไม่จําเป็นนะไม่จำเป็นต้องยกก็ได้หายใจก็รู้คลิกมือขยำมือก็รู้ความหมายมันไม่ใช่ว่าเพียงแต่รู้แค่นั้นนะทําังไงก็ได้มันก็รู้แต่รู้แล้วมันมีพลังรู้แล้วมันเป็นเป็ น, นระเบียบอรู้แล้วมันมีอจังหวะที่พอดีของมันเนี่ยมันจะต้องมารู้แบบนี้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ครูอาจารย์นําเสนอแล้วอาจจะไม่รู้ลึกรู้ไปขนาดนั้นแต่พอเราทําไปนานๆศึกษาไป เราก็จะเห็นความเยียบยนต์ของกันผลิตจัตงหวะตอนนี้ออกมาใช้สมัยแรกๆที่จะมาเรื่องผมยังเข้าใจไม่ได้ก็คิดว่าเอาทำให้ดีที่สุดเพื่อการเป็นการบูชาครูอาจารย์เราเชื่อท่านเราฟังท่านก็<ม>ทําเหมือนท่านอย่างน้อยไ ม, ไ, อ ไ, ไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนว่าได้บุญได้ศรัทธาแล้วก็ทําใจขนาดนั้นนะเพราะเรายังไม่เข้าใจก็ต้องทําใจเอาฝืนทํำไปอย่างน้อยก็เป็นการบูชา นะมันก็มีผลมีผลว่าเราไม่ได้เพื่อที่เอาทําเพื่อที่จะต้องอาจารย์ทำสัส้นๆอย่างนี้มันมีอยู่จังหวะปัญญามันเกิดพอปัญญามันเกิดมันก็เห็นเห็นความหมายที่แท้จริงของมันเราก็ยิ่งมีศรัทธาที่จะทําเมื่อรู้ความหมายที่แท้จริงยิ่งจะทําให้กระชับให้หนักแน่นแล้วก็ทําอย่างไม่เบื่อหน่าย เหนะมือนเราเห็นคุณค่าของเงินเราเคยหาเราก็หาเงินอย่างไม่เบื่อหน่ายยิ่งหาเงินก็ยิ่งได้เงินยิ่งได้เงินก็ยิ่งร่ำรวยขยันในการหาเมื่อเรารู้ความหมายการเคลื่อนไหวอย่างมีสติถ้าเรารู้ซึ้งถึงสติอันนี้สงและประโยชน์ของสติมันก็ยิ่งทำอย่างกระชับแรงระมัดระวังนะเพื่อให้ได้น้าหนัก เป็นชิ้นเป็นอันเราไม่ได้ทาแบบทิ้งทิ้งคงคว้างทาแบบแก้เขินแก้คยแก้เบื่อแก้สิ่งไว้เงันไม่ได้ทำแบบนั้เพืแบบ่ อ, อ, อ, อ, อแบบเลยได้เห็นความกระชับเหมือนกับสร้างหูที่เลี้ยงได้ที่ละเส้นและเส้นละเส้นละเส้สนการเรียบเลี้ยงแต่ละครัง้งมันหมายถึงความป้้งขึ้นของพื้นที่ ในการถักทอตัวร <l Jean Rabbit bulun> mm ู้ก็เป็นแผ่นผป็นผ้าเป็นผืนนี่เขาเรียกว่าฐานแล้วสติปฐานคือการเรียบเรียงขสติเข้าไปเสื่อที่เรานั่งผุมที่เรานั่งมันคือคือการเรียบเรียงของได้ที่ไเส้นเส้นเสื่อที่ไเส้นในเส้นเส้นถูกถักทอเข้าไปอย่างมีระเบียบอย่างมีระบบกลายเป็นผืนใหญ่ผ้าที่เราหั่งเนี่ยเครื่องจักรมันก็เป็นการเรียงได้เพราะที่ไเส้นในเสเส้นจนภาพเป็นผืนใหญ่ แต่ถ้าโบราณก็คือเลี้ยงเข้าไปจะได้เส้นพอสมัยใหม่มันเจริญแล้วมันขึ้นจับมันก็เลี้ยงทีละเส้นเหมือนกันแต่มันเลียงได้ไวตามระบบที่ตั้งไว้เท่าไหรเส้นต่อนาทีสรรดีก็ดีการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั่วเนื้อทั่วตัวของเราเนี่ยมันเหมือนกับเส้นได้ที่ยุง่งเหยิงการที่เราจับมาเรียบเรียงสมัยเรียบเรียงกันเดินกันยืนกันนั่งกันนอนกันยกมือ เป็นเป็นจังหวะจังหวะเพื่อเรียบเรียงเส้นได้ของความรู้สึกถักทอเข้าไปให้มีความหนักแน่นมีความก ว, ามวาม้างขวางพอที่จะเป็นที่ตั้งของสติพอที่ตั้งของสติก็ทำให้สติของเรามีที่ตั้งมั่นคงนะในสูตรของท่านว่าให้ตั้งในสี่ฐานเนี่ยฐานห้องกาย สติตั้งไว้ที่ไหนบ้างนะฐานของวาฐานของเวทนาจเจ้าสติตั้งไว้ตรงไหนฐานของจิตฐานของอารมณ์ชุดได้กล่าวไปในวันก่อนแล้วอันนี้จุดหนึ่งลึกล ง, งการสั้างจังหวะให้เห็นความสําคัญนะแล้วมาอีกจุดหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือที่หลวงพ่อเทียนกล่าวไปเมื่อกี้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะยานสาม นะนะยานสามแต่ที่นี้หลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้ให้ไม่ได้รู้เรื่องปริยัติมาก่อนแต่ว่ามันเป็นการเข้าถึงยานนั้นโดยโดยโดยประสบการณ์ของท่านเองแต่ว่ามันก็ไปตรงที่พระเจ้าท่านเป็นแม้ภาษาปริยัติท่านจะไม่ถนัดแต่ว่าท่านก็เมื่อเอ่อยอ้างถึงแล้วก็นํามาว่าญานทั้นสามปุเพนิวาสานุสติยาน อยู่ตัวปฏิญาณแต่าแอายสภาพขยัน ย, ยันสามหมายความว่ายังไงหมายความว่าปุเพนิวะสานุสติญาณคือญาณรู้ว่าความทิฏฐิอารมณ์ที่มันมีมาก่อนเนี่ยมันเกิดไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันมีมันเกิดไปแล้วเป็นเป็นอดีตไปแล้วคําว่าปุเพนิเป็นอดีตไปแล้ว อย่าความคิดเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเป็นลาวไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้มันมาอย่างไหแต่พราะว่าปฏิบัติพอท่านดูกายดูใจเฉลยสติไปท่านไปเห็นอ๋อเห็นความคิดเริ่มเห็นความคิดแต่ก่อนนั้นไม่เห็นมีแต่เข้าไปในความคิดเวลามันคิดอะไรก็เข้าไปเป็นเรื่องนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มียานมาก่อนแต่พอท่านเกิดยานตัวนี้ปับ๊บท่านเห็นอ๋อในความคิด มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้แต่เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องแล้วที่นั่นก็เลยตามเข้าไปเอ๊ะมันตามพุทิเนี่ยมันก็จะต้องมีที่เกิดสิมันไม่ได้เกิดลอยๆเนี่ยความคิดมันเกิดมาจากไหนอความคิดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยที่ที่ท่านเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากไหนท่านก็เลยตามตามเข้าไปดูร้อยครั้งพันหนนความคิดที่ไม่ทันตั้งดูใจดูใหม่คิดใหม่ ตั้งใจดูใหม่คิดอีกครั้งตั้งใจดูตั้งใจดูหลาะครับก็ขยับเข้าไปขยับเข้าไปใกล้ต้นตอนจนที่สุดไปเห็นว่าความคิดเกิดมาจากการกระทบของสองอตนะคืออิยตนะภายนอกและอายตนะภายในกระทบกันเมื่อกระทบกันแล้วเนะี่ยมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเหมือนกับเราตีะระฆังะระฆังมีอยู่ถ้าไม่มีการกระทบเสียงะระฆัง เกิดไม่ได้พอกระทบปั๊บมันมีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็การดับไปของเสียงนั้นอ๋อตอนแรกเรนรู้ว่าได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่เสียงเกิดจากอะไรเพราะตามเสียงไปมันเกิดหลายครั้งตามอ๋อมันเกิดจากการตีะระฆังนี่เองเหมือนกันตอนแรกเห็นรู้ะ ความคิดแต่ว่าไม่รู้มันเกิดอย่างไหนท่านก็ตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปเหมือนเราอยู่ที่เดียรี่เสียงอะไรใกล้ๆมันดังมาเรื่อยๆเราก็ตามเสียงนั้นไปว่ามันเกิดจากที่ไหนตามเข้าไปโอ้เขาตีมันแล้ะขังไม่ได้ดังเองเหมือนกันเพราะมันเกิดความคิดขึ้นมาตามเขาไปดูตามเขาไปดู ต, ปดตอนแรกอาจจะตามดูไม่ทันตามดูหลายครั้งก็โอมันกระทบกระทบอะไรตากระทบรูป มีแม้ขณะนี้ลืมตาขึ้นมีการกระทบลูกทันทีดับตรงการเห็นหายไปหูเสียงมากระทบหูเกิดเป็นเสียงกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสัมผัสมากระทบกายอารมณ์มากระทบจิตโอ้มันมีการกระทบถึงหกระระดับแล้วจะไปทันมันได้ยังไง อย่างที่กล่าวไปวันก่อนว่าการที่อจะไปตามดูการกระทบแต่ละจุดเนี่ยมันไม่มีทางทันมันไวในที่สุดท่านก็ไปดูที่ปลายทางของมันทีเดียวคือดูตรงที่จิตจิตเป็นผู้ประมวลผลประมวลผลว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็จะนึกภาพออกแหละเออเสียงนกกระทบมันคิดออกไปอย่างนี้เสียงคนกระทบมันคิดออกไปอย่างนี้ เสียงน้ำไหลมากระทบมันคิดออกมาเป็นอย่างนี้เสียงลมใบพัดใบไม้กระทบมันออกมาเป็นอย่างนี้เสียงพัดลมกระทบออกมาเป็นอย่างนี้เสียงคนพูดคุยกันกระทบมันออกมาเป็นอย่างนี้จิตจะประมวลออกมาทันทีก็เริ่มเข้าไปดูจิตเลยทีเดียวเมื่อมันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายมวลที่จิต ทีน่นีการกระทบของอวัตานะทั้งหกเนี่ยมันน่าจะแบ่งเป็นอีกสามกลุ่มกลุ่มที่กระทบตลอดเวลานอกจากเวลาหลับคือตากับหูตาเนี่ยลืมขึ้นกระทบได้ตลอดเวลาหูเสียงอะไรคกอดขึ้นมากทบได้ตลอดเวลาแต่ในขณะนี้กลิ่นที่มากระทบจมูกไม่มีรสมากระทบลิ้นไม่มีนั้น การกระทบเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่กลุ่มหนึ่งคือจมูกกับลิ้นกระทบในบางครั้งอ่ากลุ่มที่สามคือกายกับใจกายเย็นล้อนอ่อนแข็งขึ้นกึงกระทบตลอดเวลาเหมือนกันการเ ย, ย็นอากาศร้อนกระทบได้ตลอดเวลาอารมณ์ นอกจากตัวมันเองจะกระทบกับสิ่งกระทบแล้วตัวมันเองยังรับการกระทบจากตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่างอ๋อมันก็เลยกลุ่มแรกมันก็รับจากข้างนอกนะเสียงมาจากข้างนอกภาพมาจากข้างนอกในส่วนกายมันกระทบข้างในเช่นเยน็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเนะี่ยมันกระทบอยู่ข้างในตัวของมันเอง นั่งอยู่อาการหนักเนี่ยไม่ได้ลอยมาจากทางอื่นเลยนะอาการหนักมันเกิดขึ้นจากที่นั่งก็เกิดตรงนั้นเลยกายกระทบจิตมันเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบบางทีมันก็ไม่ได้จากมันอื่นมันเกิดขึ้นของมันเองก็มีมันรับมาจากทางอื่นก็มีากายกับใจเนี่ยทั้งเกิดในตัวเองและรับมาจากทางอื่นแต่ตากับหูเนี่ยรับมาจากข้างนอกอย่างเดียวเท้มูกกับ ลิ้นเป็นบางครั้งเมื่อเรามีกินเมื่อเราทานอาหาราพรอประมวลผลออกมาไปดูการกระทบที่จิตเลยทีเดียวนะไม่ว่ามันเจอทบระยะสั้นระยะยาวตลอดเวลาหรือบางครัง้งบางข่าวไปดูอาการน้องจิตจิตก็จะประมวลผลออกมาเป็นความคิดความคิดเกิดสมมุนเสียงละครังการกระทบของยะนะทั้งสองเกิดมื่อระครังกับคอนกระทบกัน ระคังเป็นตนาภายในค้อนเป็นเยตนะภายนอกเสียงที่เกิดจากการกระทบเป็นเสมือนความคิดเราคิดที่เกิดแล้วก็ก็ <c oughs> ดับนะ <c oughs> เกิดแล้วก็ดับไปแต่พอตีกันซ้ํำๆๆมันเกิดตลอดนะมันเกิดตลอดความคิดคอยู่เหมือนกันที่มันความคิดได้ตลอดแสดงว่ามันมีการกระทบซ้ําๆๆ ๆ, ๆ, ๆ ความคิดบางครั้งมันกระทบครั้งเดียวมันก็จบมันก็ตีละครตอนเชา้าเราลัวสะ ก, ก่อนเพิงเๆเเแล้วจากนั้นก็ตีเป็นจังหวะจังหวะจังหวะพอจิตของเราถูกกระทบเป็นลักษณะลัวเนี่ยมันจะคิดกันต่อเนื่องแล้วแล้วก็หนักแล้ก็หนักใจหนักหัวแสดงว่ามีการกระทบอย่างต่อเนื่องถามว่า ทางไหนกระทบทางนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราไม่เห็นการเกิดดับแต่พอเรามาเรียนรู้การปฏิบัติเราก็มีการตรวจสอบว่ า, าเราหนักหัวคิดตลอดเวลานี้มันมาจากทางไหนกันแน่อารมณ์มากระทบจิตหรือสัมผัสมากรทบกายหรือเสียงมากระทบหูหรือภาพมากระทบตามันเริ่มสำรวจละเวลามาเจริญสติเริ่มสำรวจ ลักษณะไหนสำรวจไปสำเร็จก็จะเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับที่มันเกิดขึ้ น, นเรียกว่าจุตูปปัฏยานเป็นญาณที่สองนะจุตูปปัฏยานแปล ว, ว่าจุติกับอุบัติจุติแปลว่าเคลื่อนหรือแปลว่าดับไปอุบัติแปลว่าเกิดเนี่ยเมื่อพระองค์มื่เห็นญาณที่สองนี่พระก็รู้อ่า อาสวะธรรมทั้งหลายมันเกิดตรงนี้เองเมื่อมันมากระทบเนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้แต่เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ว่าการกระทบเกิดจากอะไรก็สามารถควบคุมการกระทบได้นะคือหมายความว่าการกระทบอาจจะควบคุมไม่ได้ไดควบคุมผลของการกระทบได้เช่นเราตีะระฆังจะให้ค่อยก็ได้จะให้ดังก็ได้ตีแล้วไม่ให้ดังก็ได้ ฮัตติให้เป็นเหมือนกันสิ่งที่กระทบต่างๆหัวใจมือลิ้นกายใจจะให้มันคิดก็ได้ไม่ให้มันคิดก็ได้หรือมันคิดไปตามที่เราต้องการก็ได้นี่ผลของการเข้าไปรู้การเกิดดับนี่เองทำให้รู้วิธีการเลือกที่จะให้สิ่งการกระทบมีผลออกมาดีหรือไม่ดีท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อผลของการกระทบเนี่ยมันออก อย่างละเอียดที่สุดออกมาเป็นอาสะวะออกมาเป็นอาสะวะเพราะนั้นก็เลยรู้วิธีจัดการความคิดที่มันเป็นอาสะวะคือความคิดที่ไม่ดีในการจัดการก็เปควบคุมไม่ให้ความเผลอเข้ามากระทบให้กระทบด้วยความรู้เรียกว่าด้วยวิชากระทบด้วยวิชาไม่ให้กระทบด้วยอวิชา พอกระทบด้วยอวิชามันก็จะเป็นอวิชาศสวะก็จะเกิดการมาสวะและภวาสวะตามมาท่านก็มาถอนอาสวะได้เพราะมาสร้างตัวให้รู้ให้กระทบด้วยอำนาจของตัวรู้คือวิชาท่านคือมาสร้างตัวรู้ขึ้นแบบเป็นตัวตั้งรับนี่เราจะมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวตั้งรับของการกระทบกระทบทุกครั้งมีตัวรู้มาตรองรับอาส ว, วะก็ไม่เกิด เพราะนั่นยานสุดท้ายเรียกวิชาสวาอ๋ตรงนี้เองเพราะนั่นจะเห็นว่าคําสอนพระพุทธเจ้านี่มีเหตุผลสามารถตรองตามเห็นจริงได้ไม่มั่วสามารถลําดับให้เห็นเนาะมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้จึงมีนะดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติมาเข้าข่ายเนี่ยเราคงจะไม่มาสนุก อยู่สนุกนอนสนุกเที่ยวสนุกเล่นแน่เราคงจะมาศึกษาในปรัติสภาวะขั้นสูงดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังความเป็นความอยู่ของเราให้มีความหมายที่ให้เกิดตัวรู้แต่ละเวลาไ ม, ม่เพอไผ่ไปคุยไปเล่นไปสนุกสนานที่ไม่มีตัวรู้หรือไม่ได้มีการจัดการควบคุมมัน การเคลื่อนการไหวเต็มไปด้วยการเฝ้าดูสังเกตและศึกษามีนัยยะที่น่ารู้น่าศึกษาทุกขณะเพราะชีวิตของเรานะั้นมันมีอะไรบางอย่างที่น่าอาศัศจรรย์เป็นกลไกนะจิตนี้ที่พุ่งพ่อเทียนพูดเสมอจิตนี้กลับเกาะได้ไวหุดมีลานไขในตนเราท่านทุกคนควรจะยน์ให้จิตหมุนมาตะกะกลับมาข้างดี ถ้าจิตนี้หมุนไปในทางข้างกีสิ่งที่ดีก็จะเสื่อมลายหายสูญเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าไปจิตนี่มันมีนกลไกที่กรอกกลับได้ไวเหมือนมีเป็นลานไข่ในต้นเพียงแต่เรามีลมหายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพียงลมหายใจเกิดขึ้นปับ๊บมันเรากดโทรศัพท์ power off power on นะกดเปิด mm hmm. ก็ stand by ทำงานได้แต่ระเวลา mm hmm. นะเมื่อใดเราต้องการที่จะพักผ่อนเราก็กด Switch off o หม stand by นะไม่ได้ปิดเลยทีเดียวถึงวันสุดท้ายเราปิดแต่ถึงเวลาตายเนี่ยถ้าเราสามารถปิดแบบปิดโทรศัพท์ได้นั่นหมายความว่าเป็นการตายด้วยรู้ด้วยตัวรู้สามารถปิดตัวเองแต่ถ้าหากว่าคนไม่ได้ฝึกผลก็ ชวิตมันปิดเพราะแบตเตอรี่มันหมดมันปิดเองแบบนี้ไปไม่เป็นเลยนะแต่ถ้าหากว่าแบตเตอรี่ไม่หมดแต่เราต้อง ก, การปิดชีวิตเรายังมีอยู่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะเราคงจะต้องศึกษาชีวิตของเราให้ละเอียดทีท่วนการก้าวการเดินการย่างมีความหมายการที่จะพูดกับใครสื่อสารอะไรกับใครเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ใช่ทำื่อยเปย ถ้าเราอยู่ในค่ายจะต้องระมัดระวังการพูดจาว่าขณะ น, นี้ต่างคนต่างศึกษาถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งตั้งใจที่ศึกษาอยู่สัมรวมอยู่เราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปชนพูดชนคุยเขาก็เสียจังหวะการศึกษาเราก็เสียจังหวะการศึกษาเราอาจจะต้องถามเขาก่อนว่าตอนนี้ขอพูดเรื่องนี้ได้ไหมตอนนี้ขอปรึกษาเรื่องนี้ได้ไหมถ้าเขาของเขานุญาตก็คือพูดด้วย แต่ถ้าหากว่าไปพูดเขาโดยที่ไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเราล่วงละเมิดโอกาสซึ่งกันและกันนะต้องสำรวนระวังนะเราอย่าใช้ความคุ้นเคยในค่ายนี้เราเราเหมือนนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยกันแต่คนต่างเรามาระวังเพราะความทุกข์มันไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกพี่เลือกน้องเลือเพื่อนเลือกฝูง ม, มันเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จัก ไม่รู้จักซ้ายมันนะดังนั้นในวันนี้นะเวลาที่เหลือจะจะให้ไปทําความเพียรต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้จะทํำไม่ทําแล้วแต่เราจะเคารพตัวเองแค่ไหนก็ตรงนั้นที่เราจะได้ประโยชน์ถ้าให้ทําก็ได้กลับไปใช่ไหมฉันไปนอนจะว่าอะไรก็ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบ มีความพคารกตัวเองเราก็คงจะไม่ทำนะแต่ถ้าหากว่าเรามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นโอ้วันนี้เหนื่อยมากไม่สบายขอพักก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเรามีเหตุผลในการทำเสมอก็ขออนุโมทนาสาธุในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะยังกันละกันให้เข้าถึงสิ่ง การดับการเย็นการสิ้นปัญหาที่ถูกต้องด้วยการทุกคนทุกท่านตื่น